สรุปข้อควรกําหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะเพื่อสะดวกในการพิจารณาอาจสรุปข้อควรกําหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะได้ดังนี้ความหมายเบื้องต้นของตัณหาคือความอยากความร่านรนทยานอยากคืออยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากไม่เป็นต้องการเสพ ความหมายเบื้องต้นของฉันทะคือความยินดีพอใจความใยรักอยากคือใยทำใยดีใยสัจจะอยากรู้อยากทาต้องการทาทอธงรอหันมอมา้าและต้องการทาทอทหารสารอํมความหมายตามหลักของตัณหาคือความอยากได้สิ่งเสพที่อันวนสุขเวทนา อยากในภาวะมั่นคงถาวรของอัตตาอยากให้อัตตาพรากขาดหายสูญสิ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาหรือด้วยํำนวนที่ง่ายขึ้นความหมายตามหลักของตัณหาคือความอยากเพื่อตัว ต, วตนเพื่อตัวของเราเช่นอยากเสพอยากได้อยากเอามาบำเรอตัวอยากให้ตัวเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความหมายตามหลักของฉันท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 และอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นกระบวนธรรมของตัณหาเริ่มจากอวิชชาบวกเวทนาก่อให้เกิดตัณหานําไปสู่ปริเยสนากระบวนธรรมของฉันทะคือโยนิโสมนสิการก่อให้เกิดฉันทะนําไปสู่อุตสาหะสิ่งที่ประสงค์ของตัณหาคืออารมห หมายถึงสิ่งเสพที่อํานวยสุขเวทนาหรือพนอัตตาหรือสิ่งที่ประสงค์ของตันหา ย, ย่างคืออามิ t h สิ่งที่ประสงค์ของฉันทะคือธรรมะกุศลคือความจริงความดีงามคุณภาพชีวิตลักษณะพึงสังเกตของตันหาคือ 1. มีอัตตาเป็นศูนย์กลางจะเอาเข้ามา 2. มุ่งหาสุขเวทนาหรือสิ่งผนอตน 3. ม, มืดหรือไม่กำเนึงถึงความรู้ความเข้าใจคุณโทษเป็นต้นของสิ่งนั้นๆ 4. เป็นเงื่อนไขกับการกระทำไม่ต้องการการกระทำา 5. ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวกำหนดการกระทำลักษณะพึงสังเกตของชันทะคือ 1. ไม่ผัวพันกับอัตตา โน้มน้อมไปหา 2. มุ่งอัตถะคือสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริงแก่ชีวิตและแก่ทุกสิ่ง 3. เกิดจากความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าสัมพันธ์กับปัญญา 4. เป็นเหตุกับการกระทำเป็นจุดเริ่มต้นหรือส่วนหนึ่งของการกระทำา 5. จุดมุ่งหมายของงานนั้นเองเป็นตัวกำหนดการกระทำ อาการและผลต่อจิตของตัณหาคือหนึ่งกระวนกระวายเรา่าร้อนไม่เอื้อสมาธิเช่นชอบใจอยากได้ฟุ้งซ่านคิดพล่านไป 2. ข้องคับใจทุกต่างๆโรคทางจิต 3. ามกามสุขสามิตสุขสุขพึ่งพาอาการและผลต่อจิตของฉันทะคือหนึ่ง สบายเอื้อสมาธิเช่นชื่นชมความดีของคนคำสอนธรรมชาติจิตดื่มด่ทซาบซึ้งสงบตั้งมัน่นสองเอื้อต่อสุขภาพจิตสามสุขประณีตเนิรามิตรสุขอิสระวิธีปฏิบัติต่ตอตันหาคือหนึ่งในยตรง พึงละโดยถอนขาด 1.1 เกิดที่ไหนดับหรือละที่นั้น 1.2 ควบคุมโดยเพิ่มปัญญาและฉันทะวิธีปฏิบัติต่อตันหาวิธีที่สองอุบายคืออาศัยตันหาละตันหาหมายถึงให้ตันหาเป็นปัจจัยแก่ฉันทะหนุนฉันทะวิธีปฏิบัติต่อฉันทะคือ 1. ึ่งพึงกระทำคือสร้างขึ้นและปฏิบัติตาม 2. รงระงับด้วยการทำให้สำเร็จตามนั้น